ท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสก อ, อุบาสิกาผู้ไฝ่ทางทุกทุกด้านวันนี้เป็นวันอังคารที่15หามีนาคมพุทธศักราช2 5 5 9ันเป็นวันพระวันธรรมสวดสดิ์วันฝังธรรมวันที่พวกเราทั้งหลาย แต่ได้นั่งใจมาเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการประทำตามตาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงจัดไว้ว่าบูชาจะบูชนียานัมเอตัมมังกมามุตตะมังการบูชาบุคคลซีสมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง บุคคลที่เป็นบุคคลที่สมควรแก่ ก, การบูชาเป็นอย่างไรก็บุคคลที่มีพระเดชมีพระคุณกับพวกเรานั่นเองเช่นบินดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์สร้างคนให้กับพวกเรา พวกเรามีชีวิตอยู่มาได้จนบัดนี้และอยู่อย่างมีความโล่มเยี่ยงเป็นสุขก็เพราะพระคุณของพ่อแม่ที่ให้กำเนิดพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้พระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ให้ธรรมะแก่พวกเราบุคคลเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงจับไว้ว่าเป็นบุคคลที่ สมควรแก่การบูชาการได้บูชาบุคคลเหล่านี้จะนำความเป็นสิริมงคลมาให้แก่ชีวิตนดะังนั้นวันนี้พวกเราก็จะมาสร้างความมงคลด้วยการมาบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระอาหารตสาววของพระธรรมคําสอน การบูชานี้ก็มีสองแบบแบบแรกเรียกว่าอามิตรบูชาแบบที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูชาอมิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนต่างๆส่วนการบูชาที่เรียกว่าปฏิบัติบูชา ก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำความดีละบาปชำระจิตใจให้สะาบริสุทธิ์อันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูบชาบูชาทั้งสองแบบนี้ท้าพุทธเจ้าทรงตัดว่าการปฏิบัติบูบชาเป็นการบูชาที่แท้จริงเป็นบูชาการบูชา ที่จะทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้บูชาที่จะทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของผู้บูชาอามิสบูชาก็ให้ประโยชน์แต่ให้ประโยชน์น้อยกว่าเช่นเวลาเราเอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้พระพุทธรูปอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการ แสดงความเขารพแสดงความกตันยูกรตะเวทีเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์นะมนุษย์นี้ถ้าไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นเราไม่เรียกว่ามนุษย์นะเราเรียกว่าเดรัจฉานหรือเปรตหรือผีหรือสัตว ok ์นระกพวกนี้เขาจะไม่รู้จักบุญคุณ เดลชานีเขาไม่รู้จักพ่อจากแม่เพราะว่าเขาไม่มีปัญญาไม่มีใครในชีวิตของเขาที่จะมาสอนมาบอกเขาให้รู้บุญคุณของพ่อของแม่ของเขาหรือบุญคุณของผู้ที่มีมีมีอุปการะแต่การเป็นมนุษย์นี่ เราเป็นมนุษย์เพราะว่าเรามีปัญญามีคนสอนให้เรารู้ว่าที่สูงที่ต่าเป็นอย่างไรคนที่มีคุณกับเราเป็นอย่างไรและการที่เราจะตอบแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณจะทำได้อย่างไรก็ทำได้สองย่างดวยการอามิสบูชา ดอกไม้ทูกเทียนเครื่องสักการะที่เรามามอบให้กับพระพุทธรูปหรือถ้าเราไปบ้านเราก็เอาดอกไม้ทูกเทียนไปกราบว่าบิดามารดาก็ได้อันนี้ก็จะทำให้บิดามารดามีความสุขที่เห็นลูกมีความสำนึกในบุญในคุณของพ่อของแม่แต่ก็ยังสู้ การปฏิบัติบูชาไม่ได้เพราะว่าถ้าได้ปฏิบัติบูชาด้วยยิ่งจะทำให้พ่อแม่มีความสุขที่รู้ว่าลูกเป็นคนดีลูกประพฤติดีคิดดีพูดดีทำดีเพราะการคิดดีพูดดีทำดีจะนำความสุขความเจริญมาให้กับผู้กระทำนั่นเองความปรารถนาของพ่อแม่นี้ ไม่ต้องการอะไรจากลูกเป็นผลตอบแทนแต่อยากจะให้ลูกมีความสุขมีความเจริญแล้วพอเห็นลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดีพ่อแม่ก็เบา อ, อกเบาใจนอนตาหลับเวลาตายก็ตายอย่างสบายไปสู่สุคติพาอไม่ต้องมา่วนมากังวลว่าลูกของตอนนี้จะไปเป็นอะไร ถ้าลูกประพฤติตนไม่ดีเช่นชอบเสพอบายามุขเสพสุรายามาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดแค้นชอบทำบาปชอบฆ่าศัตท์รักทรัพย์ประพฤติผิดตระเวณีพูดปดถ้าลูกทำอย่างนี้ก็จะ ถือว่าไม่เป็นการบูชาพระคุณของบิดามารดาหรือพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือพระพุทธพ ร, พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกการที่ท่านมาสั่งมาสอนเราเพราะอยากจะให้พวกเเรานั้นมีความสุขความเจริญ มีแต่ความเป็นสิริมงคลไม่อยากให้พวกเรานั้นเจอแต่ความเสื่อมเสียเจอแต่ความทุกข์เจอแก่ความหายนะต่างๆเพราะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความหายนะนี้ไม่ได้เกิดจากใครแต่เกิดจากการปฏิบัติตัวของเราเอง ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความเสื่อมเสียตามมาบิดามารดาอยากจะให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา อยากจะบูชาพระคุณของบิดามารดาขอให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาอย่างวันนี้เราก็มาปฏิบัติบูบชาด้วยการทําบุญ<ม>การทําบุญนี้ก็เรียกว่า<ม>คิดดีพูดดีทําดีทําแล้วก็จะมีความสุขใจใจก็จะสูงขึ้นใจก็จะเจริญขึ้นจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทวดา แล้วก็ไม่ทำบาปด้วยต้องละการกระทำบาปการกระทำบาปนี้จะทำให้เราต้องไปอาบายถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปอาบายเราทำบุญเราก็จะไปสวรรค์แล้วถ้าเรามาฝึกจิตทำใจให้สงบเราก็จะไปนิพพานกันยุติการเวียนว่ายตายเกิดกันอันนี้แหละเป็น การบูชาที่แท้จริงเป็นเป้าหมายของการสั่งสอนของพ่อของแม่และของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องการให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องการให้พวกเราได้ไปสู่พระนิพพานไปสู่แดนอันเกษมสันแดนที่มีแต่บรลมโสุข ไม่มีความทุกข์เหมือนกับโลกมนุษย์ที่พวกเราอยู่กันนี้พวกเรายังอยู่กับความทุกข์กับวุ่นวายต่างๆกับความวุ่นวายต่างๆตราบใดที่เรายังไม่ได้ยุติการเวืยนว่ายตายเกิดตราบใดที่เรายังไม่สามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ตราบนั้นเราก็ยังจะต้อง ติดอยู่ในคุกของการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่ก่อนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าผลบุญสแสดงก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าผลบาปสแสดงผลก็ไปอบายชั้นต่างๆไปจนกว่าบุญหรือบาปที่ได้ทาไว้นั้นหมดไปจึง จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาร้องหผงร้องไห้ใหม่มาเศร้าโศกเสียใจใหม่มาทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหม่แล้วพอตายไปก็ไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลบาปใหม่ถ้าไม่เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เชื่อฟังคำสอนของบิดามารดาถ้าเชื่อฟังพยายามทำดีพยายามละบาปพยายามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปบรนานจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสัง่งมาสอนพวกเราสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พวกเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแต่พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่งสอนพวกเราพวกเราก็จะรู้ว่าถ้าเราไม่ทำตามคำสอนของพระ พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเรา ทำตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปและการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายก็มีเป้าหมายให้พวกเราได้ปฏิบัติบูบชาไม่ต้องการให้พวกเราบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียน เพราะว่ามันไม่พอต่อการที่จะพาให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องปฏบิบัติบูชาอย่างที่เรามากระทำกันในวันนี้เรามาทำบุญทำทานเรียกว่าเป็นการทำความดีแล้วเราก็มารักษาศีลเรียกว่าเป็นการละบาปนะรักษาศีล ก็รักษาไปจากน้อยไปหามากเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลห้าในวันพระก่อนแล้วต่อไปก็รักษาเพิ่มขึ้นจากวันพระก็เป็นวันก่อนวันพระวันหลังวันพระจากนั้นก็พยายามรักษาให้ได้ทั้งห้าวันทั้งเจวันรักษาศีลทุกวัน ถ้ารักษาศีลห้าเลทุกวันตายไปไม่ต้องไปอบายแล้วถ้าอยากจะไปสู่พระนิพพานวันพระก็ต้องมาหัดรักษาศีลแปดกันมารักษาศีลแปดเพื่อมาชําระเหตุที่จะเป็นตัวจุดลากให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่จะฉุดให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิด ก็คือการอยากหาความสุขทางร่างกายนี้เองอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นอยากร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนอยากหาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นอยากจะหาความสุขจากมหรสพบันเทินต่างๆ อยากหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายอยากหาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่จะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราต้องมีร่างกายถึงจะหาความสุขแบบนีได้พระพระพุทธเจ้าบอกว่า วันนี้เรามาหยุดหาความสุขแบบนี้กันหนึ่งวันเพื่อที่เราจะได้ตัดความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราให้เรามาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือการสร้างความสงบให้กับใจด้วยการจเจริญสติ ถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถนั่งสมาธิได้ถ้าเรานั่งสมาธิมีสติใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบใจก็จะมีความสุขจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้รับจากการไปนอนกับแฟนได้มากกว่าการรับประทานอาหารมื้อเย็นมื้อข้าม ได้มากกว่าการไปดูมหรสศพบันเทิงได้มากกว่าการเสริมความงานของร่างกายได้มากกว่าการหลับนอนมากจนเกินไปนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาสร้างกันเพราะเราจะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายต่อไปถ้าเรามีความสุขจากการทำใจให้สงบได้ เราจะไม่ต้องใช้ร่างกายเราจะไม่ต้องมีร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังต้องพึ่งร่างกายอยู่เหมือนกับตอนนี้เวลาร่างกายเป็นอะไรนี้เราจะเดือดร้อนเพราะเราจะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้นั่นเองแต่ถ้าเราสามารถหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้ เวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเราจะไม่คิดอยากจะฆ่าตัวตายคนที่อยากจะฆ่าตัวตายนี้ก็เพราะเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เช่นเป็นอมตะเป็นอมพาสหรือเป็นโรคมะเร็ง ที่จะต้องเจอแต่ความเจ็บปวดรวดแ้วตามร่างกายต่างๆไม่สามารถที่จะหาความสุขทางร่างกายได้เวลานั้นก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะข้าตัวตายแต่ถ้าเรามีความสุขทางใจสามารถทำใจให้สงบได้เวลาร่างกายเป็นโรคมะเร็งมีความเจ็บปวดมากน้อยเพียงไร ความสุขที่เรามีจากความสงบนี้จะสามารถกลบมันได้จะทําให้เราไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเพราะเรามีความสงบอันนี้แหละคือความวิเศษของความสุขภายในใจที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าค้นพบความสุขแบบนี้พวกเราก็จะต้องอาศัยความสุข ผ่านทางร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้นี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการคือการตอบแทนบุญคุณก็คือให้เราตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูบชา พระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราไม่ต้องการเงินทองไม่ต้องการดอกไม้ธูปเทียนไม่ต้องคานกับข้าวกับปลาไม่ต้องทำอาหารไปตั้งไว้ที่หน้าพระพุทธรูป พ, พระพุทธเจ้ากินไม่ได้กับข้าวกับปลาของขาวของหวานไม่ต้องเอาไปบูชาที่หน้าพระพุทธรูปให้เสียเวลาปป่าๆให้มาบูชาด้วยการมาทำบุญทาทาน เอากับข้าวกับปลาที่จะบูชาพระพุทธนี้ไปใส่บาตรดีกว่าหรือเอาไปเลี้ยงคนยากคนจนจะดีกว่าแล้วก็มารักษาศีลกันแล้วก็มาสึกทำใจให้สงบกันทำใจให้มีความสุขกันแล้วพระพุทธเจ้าก็จะมีความสุขเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการจากพวกเรา ต, the ต้องการเห็นพวกเรามีความสุขต้องการเห็นพวกเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนีはは้มันไม่ดีเลยมันมีแต่ความทุกข์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราพวกเราจะไม่มีวันที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยพอพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราแล้ว พวกเราต้องตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเพราะถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็จะรู้สึกเสียเสียใจเสียเวลาอุตส่าห์เอาของวิเศษมาให้พวกเราพวกเรากลับไปชอบของไม่วิเศษกันเป็นเหมือนไก่ได้พลอยรู้จักไก่ได้พลอยนะ ไก่เวลามันหาอาหารมันจะคุย้ยเคี่ยมันจะหาตัวหนอนตัวไส้เดือนกินเวลามันได้เขีย่ยวเจอเพชรเจอพลอยนี่มันเขีย่ยทิ้งหมดเพราะมันไม่รู้คุณค่าของเพ็ของพลอยว่ามีคุณค่าราคามากกว่าตัวหนอนไส้เดือนพวกเราก็เหมือนกันพวกเรานี่พอให้หาความสุขจากการทำใจให้สงบให้ยุติการหาความสุขทางร่างกาย พวกเราก็เขี่ยทิ้งหมดเขี่ยทิ้งหมดชอบหาความสุขทางร่างกายชอบไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ชอบไปดูหนังฟังเพลงชอบไปกินเลี้ยงไปร้องลําทำเพลงไปทำอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายอันนี้แนละเป็นเหมือนตัวหนอนตัวไส้เดือนเพียงแต่ยาไส้พวกเราไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองแต่จะไม่สามารถทำให้พวกเรา ได้พบกับความสุขที่ถาวรคือความสุขของพระนิพพานได้ถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติบูบชาอย่าเขียยทิ้งพระนิพพานการปฏิบัติที่พวกเรามาทำกันในวันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างพระนิพพานขึ้นมาไม่ได้เป็นการเกลียรพระนิพพานทิ้งไปแต่เราต้องมาบ่อยๆทำให้บ้า ง, างตอนต้นก็ให้ หัดทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนต่อไปก็เพิ่มเป็นสองครั้งต่อไปก็สามครั้งสี่ครั้งเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำได้ทุกวันถ้าทำได้ทุกวันแล้วรับรองได้ว่าพท่านานนี้จะได้ภายในชาตินี้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่เขาทำแบบนี้ได้กันมาแล้วเช่นพระ อ, อรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านก็ได้พระนิพพานภายในชาตินี้กันเพราะท่านทำทุกวันท่านรักษาศีลแปดรักษาศีลสิบรักษาศีลสองร้กันทุกวันแล้วท่านก็ฝึกทำใจให้สงบนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็สอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงไปกับการไปทำความอยากต่างๆผ่านทางร่างกาย พ อ, อท่านทําได้ท่านก็ไปถึงพระนิพพานได้พวกเราถ้าทําพวกเราก็จะได้พระนิพพานเช่นเดียวกันได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกันได้บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนี่แหละคือการมาวัดเพื่อมาเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเรา ด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ขอให้พวกเราพยายามทำกันอยู่เรื่อยๆและทำให้มากขึ้นไปตามลำดับรับรองได้ว่าภายธชาตินี้จะได้เห็นพระนิพพานอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ